อยู่มนั้นฉันเคยอยู่ เหตุการณ์คราวนั้นที่ตัวฉันต้องเสียใจทำอย่างไรก็ไม่ลืมแมนเธอและฉันต้องจากกันไปกไกลสุดไกล ฉันไม่เหลือลมหายใจก็จะรักรักเธอตลอดไป เป็นบทเรียนที่ฝังใจเหตุการณ์คราวนั้นที่ตัวฉันต้องเสียใจทำ เธนันนไม่ลบเลือนจากใจทำยังไรให้ย้อนคืนกลับมาแม้เธอไล่ฉันจะไม่เหลือความจริงอีกต่อไปต่อให้ฉันไม่เหลือลมหายใจก็จะรักรักเธอตลอดไปฉันจะรก